มันเป็นกุศ ล, ลเจตนาที่ตั้งเอาไว้เพื่อการให้สละบุญกุศลที่เกิดจากการให้บุญกุศลที่เกิดจากการให้วัตถุทั้งหลายเหล่านี้แด่สงอาสวัคยายวหังโหตุโหตุแล้ ว, วจงมีขอจงมีเพื่อเพื่ออะไรอาสวัคยายวหังขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยสิ้นอาสวะขอความสิ้นอาสวะจงมีแก่ข้าพเจ้า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 คือพูดผลแต่ไม้เอาเหตุพูดผลไม้เอาเหตุคําพูดนี้เขาเรียวกว่าพูดปจาระคําพูดก็ให้ต่อผลแต่จริงๆไมายถึงเหตุจริงๆแล้วเนี่ยต้องการอะไรถ้าตั้งคําถามว่าอาสวัคยยาวหังโหตุเนี่ยขอจะขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ถึงซึ่งความสิ้นอาสวะทำที่สิ้นอาสวะหนึ่งทิฏฐาสาวะสิ้นด้วยโสดาปฏิมักนนะอนุภาพของโสดาปฏิมัก เป็นปัจจัยให้สิ้นทิฏฐาสวะกามาสวะสิ้นด้วยอนาคามิมักภาวาสวะและอวิชชาสวะสิ้นด้วยอรหัตตมักอาสวะรค์ยภหังขอบุญที่ได้ทําเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อบรรุษมักทั้งสี่ประการอันนี้แปลเป็นภาษาเราง่ายๆเลยก็คือบอกว่าบุญที่ทําไปแล้วนี้ขอให้ได้อริยมักสี่นนสแสดงว่ามีเป้าหมายชัดเจนว่า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 มันจากบุญกุศลที่เรากระทาแล้วนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้โสดาปติมัคสกทกาคามิมัคอนาคามิมัคและอรหัตมัคทั้งหลายในที่สุดคืออรหัตผลเรียกว่าอาสวะขยาวหังนิพานนางหูตุตอนยมโสดขอคออย่างนี้หรือเปล่าอย่าว่าให้คล่องปากนะีเสียชื่อหมดเดี๋ยววันหลังจะมาถามใหม่คสุทินางวัตมีทานางอาสวะขยาวหังนิพานนางหูตุต้องการอะไรบอกต้องการมัคสี่า น, นั้นนะทางตอบเนี่ยถูกต้อง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 ให้เพราะเลื่อมใสในความปฏิบัติดีของพระสงค์ขอบุญที่เกิดจากการให้อันนี้สัพพะทุกขาปรมุตเจเยข อ, อปรมุตเจเยเนี่แปลว่าเพื่อความพ้นหลุดพ้นขอให้สัพพะทุกขาหลุดพ้นจากกองทุกขให้หมดเลยไม่ให้เหลือทุกแม้แต่นิดเดียวเนี่แล้วเรามีทุกอะไรบ้างนะเมื่อนว่าไปบ้างนิดหน่อยนะบอกเรามีทุกอะไรบ้างแหมปรารถนาเรื่อเกินเ่ออยากพ้นทุก ทานที่ให้บุญที่ให้ไปเนี่ยขอจงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกเถอะทุกไหนแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ acer, แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่าไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็น été, obic, ที่ isz, Harbor, ok. いいรักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพลาดกับสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดก็หมดหวังปรารถนาสิ่งใดก็ไม่สมหวัง ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ปรารถนาหมดปรารถนาจะร่ำรวยมีแต่จนลงปรารถนาให้มั่งมีมีแต่นี่สินอย่างเงี้ยนะพันมีแต่มีนี่มีสินพันขอให้พ้นจากทุกพันแค่เรียกว่าขอให้พ้นจากทุกตั้งความปรารถนาขอให้พ้นไปจากทุกขที่กล่าวไปแล้วพ้นจากชาติชารามรณะโศกปริเทวทุกขโทมานัตและอุปาญาตพันแสดงว่าตั้งความปรารถนาขอให้พ้นจากทุกทั้งปวงหมายถึงพ้นจากวัตทุก พ้นจากอบายทุคติวินิบาตานรก้นของการให้ทานเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อพ้นจากนารกเปรตอสรกายและเดรชานขอผลแห่งการให้นี้จงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขอให้พ้นจากทะเลทุกพ้นจากอนนันโนบคือห่วงแห่งมหันตทุกทั้งปวงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่ประโยคสุดท้ายว่าตติยมเปสุทินังวัตเมิธานัง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 อันนะัความสิ้นอาสวะคืออริยมรรคสี่ทำให้พ้นจากวัฏทุกข์การเกิดในอบายทุกขติวินิบัตินรกการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏตาเพราะกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานให้ได้จิตได้สัมผัสกับพระนิพพานด้วยอริยมรรคทั้งหลายมันก็เป็นการเจริญกุศลที่มีเป้าหมายมีทิศทางเมื่อเรามีเป้าหมายทิศทางชัดเจนแล้วที่เหลือก็มาค่อยๆรวบรวมกันมาค่อยรวบรวมกันสิ่งที่เราต้องรวบรวมนั้นคืออะไรบุญ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 เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็สีสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆอออสัมผัสที่ดีๆจึงจะชอบใจธนาคารคือประโยชน์ของโภกกระซย์ทีนี้ถ้าจะได้สิ่งเหล่านั้นเราก็รวบรวมโภกกระซั์มาทํำยังไงเก็บสิเก็บเลยเนี่ยนะเก็บฝากแบงค์ฝากธนาคารถ้าโบราณเขาทำยังไงถ้าโบราณ เ, เขาไปฝังไว้บุรุษย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกฝังบนดินไม่ได้เดี๋ยวเขามีร่องรอยเดี๋ยวเขาไปขุดเอาอันนี้ก็ทํายังไงบอกโน่นไปฝังไว้ในน้ําลึก นิธินิเทติปุริโสคัมภีโรอุทะกันติเกน์เนี่ยนะก็คือรีบเร็วขวนขวายแสวงหาทรัพย์รวบรวมได้เพราะฉะนั้นอย่างให้เราแก้วแหวนเงินทองก็คือสิ่งที่ย่อหกย่อปัจใจสี่มาเหลือกระดาษใบเดียวย่อปัจใจสี่มาเหลือเป็นแบงค์เหลือเป็นทองคํามันก็แสวงหาที่เรียกว่าสตังค์แก้วแหวนเงินทองมารวบรวมเก็บเอาไว้ทีนี้ทํายังไงสตังค์เยอะๆมารวบรวมก็ให้มันเหลือเป็นเพชรบ้างเป็นทองบ้างเป็นอะไรบ้างก็ว่ากันไป ก็จะได้ไปแปรสภาพเป็นปัจจัยสี่เข้าของเครื่องใช้ทั้งหลายเป็นยารักษาโรคเพื่อเลี้ยงตนให้เป็นสุขเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขอ น, นะเพื่ อ, อบำรุงบิดามารดาเพื่อสงเคราะห์ฆ่าทาตบริวารและกรมมกรเป็นต้นเนี่ยนั่นคือวัตถุประสงค์ของการสแสวงหาของเราทั้งหลายเมื่อหามาได้ตัวที่จะมาแปร ก, ก็คือเรียกว่าเป็นทรัพย์เป็นโภกทรัพย์เรา ก, ก็มาฝังทรัพย์เก็บทรัพย์เอาไว้นั้นอย่างดีบูราเนี่เขาทําอะไรบ้าง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 นะบางคนก็ไปให้เขากู้บ้างไปให้อะไรบ้างแต่จริงนั่นก็คือวิธีเก็บทรัพย์พระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่าขมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ดีแล้วที่เขาฝังไว้นั้นอ่ะไม่ใช่ว่าจะสำเร็จประโยชน์ในการทุกเมื่อทีเดียวสมหวังทุกครั้งเลยไหมสมมติว่าเอาอุตสาหเก็บแก้วหาสตังมาได้ฝากสตังไว้กับที่ดินที่ดินหมดราคาอันนี้เดือดร้อนอีกแล้วเนี่ย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 คือบางคนเนี่ย aka, ทาอะไรก็ทําเพื่อประโยชน์โลกนี้แต่ก็ลืมโลกหน้านะทาเพื่อประโยชน์โลกนี้แต่ลืมโลกหน้าแล้วโลกนี้มันมีตลอดไปไหมโลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนวันนี้เราก็หนุ่มที่สุดโหยโมดเนี่ยวันนี้หนุ่มที่สุดแล้วพรุ่งนี้แ ก, ก่กวันนี้อีกปีหน้าแ ก, ก่กวันนี้อีกเพราะฉะนั้นอีกสิบปีข้างหน้าแ ก, ก่กวันนี้เยอะเนี่ยนะเพราะวั น, นนี้หนุ่มที่สุดแล้แลวก็โลกอันชรานําไปไม่ยั่งยืนนั้นทุกคนแก่หมดนะ เขาม่ยังไม่คิดไปเอ๊ยตอนนี้เขเป็นพระหลวงพ่อไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวเขไปอีกใหม่เขาจะเรียกหลวงปู่หลวงตาหลวงอะไรก็ว่ากันไปในที่สุดก็เฮ้ยพระรูปนั้นอะชาตะเมือ่อมรณะเมื่อก็จะมีแค่นี้ยใบติดใบข้างปลาที่เก็บกระดูกหนั ก, นกๆเข้าเกกะวดัดเข้าก็ขุดทิ้งไปนั่นก็มีอยู่เท่านั้นนะอ่านะชีวิตของชาตินี้นะแต่ว่านี่คือประโยชน์โลกนี้มันก็มีประโยชน์โลกต่อไปอีกอนะโลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเราจะต้องไปไหน ทนี้เมื่อเราไปเรามีสเสบียงทางไหมคนที่เดินทางบ่อยๆนี่จะรู้ว่าการเดินทางนี่มันจําเป็นต้องใช้สเสบียงนั่นไงขอมานี่เป็นนักเดินทางเดินทางถ้าเดือนหนึ่งต่ำกว่าพันกิโลนี่แปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราแน่นอนมันเดินทางสัปดาห์หนึ่งก็เอยอาทิตย์เดียวก็พันกิโลแล้วเพราะนั่นเดินทางอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งประมาณสี่ห้าพันกิโล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 คิดแล้วคิดอีไอไปไม่กลับจริงๆกลับไม่ได้เตรียมเลยมันนั่นเแล้วเราเตรียมบุญอะไรมั่งในการเดินทางต่อไปในโลกหน้าไออยู่เขาไม่ให้อยู่กับเราขาให้อยู่ตลอดไปหรอกเชื่อเหรอใช่ไหมให้อยู่ตลอดไปเอาไหมอายุหมื่นหมืนปีเลยกาเนดเอาไหมฮักหมื่นหมื่นปีเงี้ยเอาไห ม, ไมเอาอีกนั่นแหละเนาะแต่มันแก่ลงทุกวันนี่แล้วใอายุหมื่นปีไม่เอาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างงี้โลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนโลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเมื่อไปแล้วสเสบียงทางเรามีแค่ไหน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 ก็คือบุญที่สําเร็จโดยการให้ทานเจตนาในการให้บุญสําเร็จโดยการรักษาศีลบุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาทั้งที่เป็นสมถภ า, าวนาและวิปัสสนาภาวนาบุญที่สําเร็จด้วยการเจริญอธิศีลอ ธ, ศอธิจิตอธิ ป, ปัญญาบุญที่การแสวงหาปัญญาบุญที่เกิดจากการมีปัญญาเป็นต้นอันบุญเหล่านั้นเนี่ยนะที่เราฝังไว้แล้วดีแล้ววัตถุภายนอกเนี่ยนะเราไปเก็บไปฝากไว้ที่อื่น แต่บุญทั้งหลายเนี่ยเราฝากเก็บไว้ที่ไหนอนตั้งคําถามว่าบุญเนี่ยเราฝากเก็บไว้ที่ไหนดีนนะบุญนี้คือสิ่งที่ฝากบุญคือสิ่งที่เก็บเอาไว้ที่ใจของเราทั้งหลายเมื่อบุญเนี่ยคือสิ่งที่เราฝากเก็บเอาไว้ในใจของเราทั้งหลายนนะถ้าหากว่าบุญเนี่ยเกิดที่ใจของเราเกิดได้บ่อยๆขึ้นเป็นจิตที่เป็นบุญมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยนะ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 มันถ้าเราไปเกิดชาติหน้าแล้วเราจะไปร้องเรียกหาใครแต่พูดอย่างนี้เขามาไม่ได้บอกว่ายาบำรุงขอภปยาสงเคราะห์บุตรภรรยาเป็นต้นไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ให้เล็งถึงประโยชน์โลกนี้ให้เล็งถึงประโยชน์โลกหน้าให้เล็งถึงเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อออกจากวัฏทุกเ น, นี่ยนะให้ให้ให้สามารถทิพิจารณาให้คํานวณให้รอบรู้ถึงประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและที่สําคัญคือเพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง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 ตลอดจนถึงเป็นเทพพยาดาทั้งหลายก็เป็นสมบัติของผู้มีบุญเพราะฉะนั้นมนุษย์สมบัติเนี่ยนะเป็นคนที่มีรูปสวยมีอำนาจเป็นที่รักเป็นที่เชิดชูบริบูรณ์พูนสุขไปด้วยสิ่งที่น่าตราตรณ์ตำแหน่งอำนาจลาบยศสรรเสริญเป็นต้นเป็นสมบัติของคนมีบุญทุกเห็นว่คนหมดบุญเนี่มันเดือดร้อนขนาดไหนเนี่ยนะเะฉะนั้นเป็นสมบัติของคนมีบุญแม้กระทั่งการเกิดเป็นเทวดาทั้งหลาย เทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิ ม, มานรดีปารณิ ม, มิตตาวสวัสดีสมบัติเหล่านี้ก็เป็นของคนมีบุญแม้แต่พร ม, มาโลกทั้งหลายก็เป็นสมบัติของผู้มีบุญสมัยพุทธกาลเราได้ยินได้ฟังกันบ่อยเหลือเกินว่าโวคนนั้นเขาก็บรรุโสดาบันฟังสูตรหนึ่งสูตรเข้าบรรลุแปดหมื่นสี่พันอีกสูตรหนึ่งธรรมจักกัประวัตินสูตรบรรลุแปดอะไรนะสิบแปดโกดมหาสมัยสูตรมงคลสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้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 ถ้าได้กลยารนมิตรช่วยชักชวนให้เราเจริญสติประธานเจริญสัมมาประธานเจริญอิทิบาทเจริญอินทรีย์เจริญพระเจริญโพ่อชงเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเจริญภาพเพียงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าเราอาศัยกลยารนมิตรเช่นนั้นโยนิโสมนสิการใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของ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 ห้าชาติสิบชาติยี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากตลอดสังวัตตะกับวิวัตกับเป็นอันมากว่าชาติโน้นมีชื่อย อ, นนะอย่างนั้นอนะมีชื่ออย่างนั้นมีนามสกุลหรือแล้วก็มีโคดอย่างนั้นมีรูปร่างผิวพรรณเสวยทุกขเสวยสุขเช่นนั้นเช่นนั้นเหมือนคนระลึกถึงประวัติของตัวเองอย่างละเอียดในอดีตได้ อันนี้คือว่าอันนี้ก็เป็นผลของบุญผลของบุญนี่แหละเป็นเหตุให้ระลึกชาติได้สั่งสมไว้บุญไว้ดีทําให้ระลึกชาติในอดีตที่สเสวยสุขสเสวยทุกข์เคยมีบริโภคอาหารเช่นใดมีผิวพธุ์อย่างไรก็สามารถระลึกได้ไม่ติดไม่ขัดเท่าที่ปรารถนาจะรู้ดังนั้นถ้าหากว่าสั่งสมบุญไว้ดีจะทาให้มีวิชาคือรอบรู้ในอนาคต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 เป็นมิจฉาทิฏฐิติเตียนพระอริยเจ้าทำกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าสู่อาบายทุกคติวินิบาตนรกเป็นต้นพันธ์ก็จะรอบรู้ว่าโอ้เนี่ยอนาคตถ้าเหตุแบบนี้ผลต่อไปในอนาคตจะเป็นแบบนี้ความรอบรู้อันนี้ก็เป็นผลของบุญบุญทําให้มีปัญญารอบรู้ต่อไปว่าถ้าคนที่เขาทําสุดเจริญ ด, ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นสั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 ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมขามัขายาณทัศนวิสุทธิและปฏิปทาญานทศนวิสุทธิเพิ่มจุดมุ่งหมายคือยาณทัศนวิสุทธิคืออริยมรรคทั้งหลายอาศวคย า, ยานแทงตลอดอริยสัตว์เพราะว่าโสดาปฏิมรทำลายทิฏฐาสวะเนี่ยทำลายทิฏฐาสวะอนาคามีมรทำลายกา ม, มาสวะอรหัตมรทำลาย อาวิชาสวาวันอาวสวะคยายามก็จะเกิดขึ้น